แบปนแผนผังที่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนกดีตาหรับตําราทางโลกกดีตำหนับตําราทางศาสนากดีถ้ายังไม่ลงมือทําตามแบบแปนแผนผังนั้นก่อนแล้วจะไม่ทราบความหมายลึกซึ้งย่าละเอียด ได้เลยเพียงแต่จำไใมใ่เฉยเฉยไม่ยังไม่ได้ทำนาทียังให้เป็นภาพปฏิบัติก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดและยังไม่ทราบความดึกตื่นอากละเอียดแห่งแบบแปลนแผนถังและตาหนักตำลาลั้ น, น, น ศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกนี้เทียบอันได้กับเป็นแบบแปลนพูดอย่างกันพื้นพื้ น, นธรรมดาก็เรียกว่าแบบแปลนเพื่อเป็นคนดีให้สร้างตนตามแบบแปลนคือแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ แล้วสร้างตนให้เป็นคนดีตามลำดับขั้นแห่งแปลนนั้ น, น, นเพราะแปรนตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าไปมีเป็นลำดับลำดาบจนกระทั่งถึงสําเร็จรูปขึ้นมาเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนแปนภายนอกที่เรามาองเห็นมันเป็นอย่างหนึ่งแปนซึ่งอยู่ภายในห้องในหับในที่ต่างๆ ทั่วทั้งตึกหลังนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งตำราศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นพื้นพื้น น, นั้นอย่างหนึ่งที่วาแบบแปนเพื่อความเป็นคนดีให้ปฏิบัติตนตามแบบแปลน แห่งศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นตามขั้นแห่งแปลนตามกําลังแห่งความสามารถเป็นลําดับลาดาไปเริ่มตั้งแต่สนใจเรื่องอัดตื้นทำเริ่มได้ยินได้ฟังคําสั่งสอนเริ่มปฏิบัติตามเริ่มตั้งแต่การ ให้ทานว่ามีผลอย่างนั้นอย่างนั้นการรักษาศีลมีผลอย่างนั้นแล้วก็ก้าขึ้นสู่ด้านภาวนามีผลอย่างนั้นและอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆไปซึ่งด้วนแล้วแต่แปลนที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้น ดีเป็นทันท้นๆขึ้นไปตามแบบแปลนตามศาสนาธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เริ่มตั้งแต่ผู้มีความเชื่อความมั่งใศาสนาและนับถือศาสนากราบพระสวดมนต์เป็นจิตวัรประจำต น, นนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลแม้จะไม่ได้มาก ยังศีห้าเป็นการเป็นเวลาก็ยังดีหรือไม่ได้ทุกองค์แห่งศีลจะได้ในองค์ใดหรือข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีกว่าผู้มนบีศีลเลยแล้วกล้าเข้าสู่ศีลที่เป็นความละเอียดหรือสูงขึ้นไปเป็นลำดับลำดาบนี่คือภาพปฏิบัติ ได้แก่การกระทําต่างการนับถือนั้นเป็นอย่างหนึ่งคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจไม่นับถือสิ่งใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่านับถือมีความเคารพกราบไหว้ด้วยความเชื่อความร่ำสายเหยื่อว่านับถือการปฏิบัติตามพระโอาวาทที่ทรงสั่งสอนไว้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 คำพูดเหล่านี้ยังไม่ได้เช่นเดียวกับจะถือเป็นตัวบ้านตัวเรือนจากแปลนจริงๆนั้นยังไม่ได้เพราะเป็นเพียงแปลนเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวบ้านตัวเรือนตัวตัวตึกตัวร้านอะไรที่จะให้สาเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนต้องสร้างตามแปลนที่ชี้ที่แนะที่บอกไว้กว้างแคบสั้นยาลึกตื้นหยาดละเอียดขนาดไหนให้ทาตามแปนนั้น บ้านหลังนั้นจะสาเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์เพราะนายช่างที่เขาทำแปลงเขาเรียนมาเรียบร้อยทดสอบทดลองรู้ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนำออกมาใช้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงค้นคว้าทดสอบทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้ผลเป็นที่พึงพอพระไทยไม่มีแงใดแห่งธรรมที่ สงสัยแล้วจึงแนะนำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกการสั่งสอนสัตว์โลกจึงเป็นเหมือนกับมอบแปลนให้โลกชาวพุทธผู้ที่จะนับถือหรือผู้นับถือได้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทขั้นนั้นๆเป็นลำดับไปผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ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 อันพระองค์จัดไว้ชอบแล้วนั้นก็ย่อมจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภายในผู้ปฏิบัติคือเป็นคนดีเป็นลำดับลำดาความประพฤติที่ออกมาจากใจซึ่งได้รับอบรมเพื่อความเป็นใจดีคนดีมาพอสมควรแล้วก็ย่อมดีไปตามๆกัน การแสดงออกทางวาจาก็ถูกต้องตามเหตุตามผลเพราะจิตเป็นผู้ยอมรับเหตุผลคือศาสนธรรมเพราะศาสนธรรมเป็นไปด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งนั้นแล้วเริ่มปฏิบัติตัวตามศาสนธรรม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 หลักธรรมหลักวินยัยซึ่งเป็นแบบแปลนแผนถังอันถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดนั้นอยู่ประจำจิดประจำาอริยาบทประจำตัวไม่คาดเคลื่อนไปได้ยิ่งฝ่ายพระวินัยด้วยแล้วก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้ตำหนิตนได้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 และทรทรมรรของผู้ปฏิบัติก็เริ่มแต่สมถธรรมขึ้นไปสมถธรรมคือธรรมที่จะทาผู้ปฏิบัติให้ได้รับความสงบเย็นใจท่านจึงเรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน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 รู้ขึ้นจำพอใจของตนเองว่าเวลานี้ใจได้รับความสงบเยิงใจเพราะการภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือผลเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วจากแปลนคือาศาสนธรรมหรือวิธีการที่ท่านแนะไว้นั้นและพยายามอบรมพยายามบำรุงพยายามรักษาจิต ซึ่งมีสิ่งปิ้นต้อนหลอกลวงอยู่ภายในนั้นเป็นจำนวนมากอย่าให้เป็นไปตามสิ่งเหล่านี้ให้ระงับดับกันด้วยอัดด้วยถรามมีสติเป็นสำคัญระวางจิตใจของตนไม่ให้สายแสไปตามสิ่งกัดดันที่ออกไปสู่ทางตาทางหู สู่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆตลอดถึงธรรมารมณ์ที่รุ่นคิดดูภายในจิตใจอันเนื่องมาจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังเหล่านั้นแล้วมาเป็นค่าสิบจากตนเองจนหาความสงบไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะการก่อไฟเผาตุนด้วยเหตุแห่งความไม่มีสติทติจริงเป็นสิ่งจาเป็นอยู่มากที่จะ อบรมหรือบำรุงจิตใจให้เป็นไปเพื่อสมถะธรรมดังที่กล่าวนี้มีเรียกว่าภาคสมถะกรรมฐานมีการเริ่มแรกแห่งการก่อตั้งสร้างจิตใจของตัวเองเริ่มไปอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรพอยับยั้งตนได้ไม่กวดแกว่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 ระหว่างสมถะกรรมฐานกับวิ ป, ปัสชนากรรมฐานไม่ใช่ทำในเวลาเดียวกันนอกจากมีเหตุการณ์ที่ควรจะทำอันนั้นเป็นกรณีหนึ่งพิเศษของแต่ละรายที่จะปรากฏการขึ้นมาให้ควรทำเช่นนั้นก็ทำได้การคำว่าวิ ป, ปัสชนากรรมฐาน ก็แปลอีกเหมือนกันราะว่าฐานที่ตั้งแหงง่แห ง, แหงงานแห่งงานแห่งการงานเพื่อความรู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานั่นแหละเวลานี้ไม่รู้แจ้งเพราะอะไรมีอะไรเป็นเครื่องปกปิดตําบังใจซึ่งเป็นนักรู้อยู่แล้วตลอดมา ตั้งแต่การไหนๆ ไ, ไม่เคยปราศจากความรู้นี้เลยแม้แต่ขณะเดียวแต่เหตุใดจึงไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็เพราะสิ่งที่ปิดบังมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจรู้ก็ให้รู้ไปตามแถวแห่งความฝ้าฟางแถวมืดแถวบอดไม่ให้รู้ความจริงรู้ก็ให้รู้ไปแบบ ก, กนำปลอมๆแฝงแงไป เพราะกิเลสมันทำให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมหากแทรกอยู่ภายในจิตนั้นทาเป็นของจริงเจิงต้องอาศัยทมนี้เป็นเครื่องชะล้างเป็นเครื่องสอดส่องมองดูสิ่งที่ปลอมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั้นหได้เห็นแจ้งออกไปโดยลำดับ เช่นท่านสอนกรรมฐานห้าในเวลาบวชเบื้องต้นว่าเกซาลรมาณน้าาันตาตาโจตโจดัลตาน้าหาลูมาเกซาดังนี้เป็นต้นนี่แลคือตัวปิดบังจิตใจไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกไม่ใช่แผ่นดินทั้งแผ่นไม่ใช่สิ่งใดทั้งมวล ไม่ใช่ความมืดเพราะอากาศมาปิดบังจิตใจแต่เพราะอาวิชชาคือกิเลสตัวสำคัญเป็นพื้นฐานขยายอำนาจออกมาทั่วสนรพางร่างกายนี้ให้เป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงไว้ทั้งหมวลจิจึง เห็นด้วยความฝ้าฝางเห็นด้วยความจอมตองสําคัญผิดไปด้วยความรู้ความเห็นนั้นๆทั้งหมดเพราะกิเลสพาให้สําคัญกิเลสพาให้มั่นให้หมายกิเลสพาให้ติดกิเลสพาให้ขัดคล้องผัวพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงสอนลงจุดที่กิเลสผูกมัดหรือกิเลสปิดบังนี้ไว้และเพิกถอน ความจำปรอมของกิริที่สาคัญว่านี้เป็นเรานี้เป็นของเรานี้เป็นหญิงนี้เป็นชายนั้นเป็นสัดบิเป็นบุคคลออกไปโดยลำดับลำดาด้วยการพิจรารณามีกรรมฐานห้าเป็นสมคัญในพื้นฐานแห่งการพิจรารณาเบื้องต้นท่านจึงมอบอาวุธอันสาคัญให้ห้าประการเกสารูมา เ, เราจะพิจารณาอาการใดในห้าอาการนี้เพื่อจะเพิกถอนสิ่งจองปลอมนั้นนี่คือวิปัสสนาเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงของสภาพนั้นัๆในส่วนร่างกายของเหล่านี้ศีรษะดูเป็นอย่างไงผมอยู่บนศรีรษะนี้มันสวยตรงไหนมันงามตรงไหน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 ถานที่เกิดมันเกิดขึ้นมาจากหนังหนังวิเศษอะไรดูให้ดีที่หนังมันวิเศษอะไรข้างนอกมันก็เต็มไปด้วยมูลคือขี้ขี่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดไม่ว่าหนังบนศีรษะหนังรอบตาจะกรยันโตหนังที่ห้มรอบอยู่ในสุณอาการนี้เต็มไปด้วยขี้เหงื่อที่ใครต้องชะต้องล้างอยู่ตลอดเวลา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 มันว่ามันสวยมันงามไหมเราต่างหากเป็นผู้ไปสําคัญมนันหมายนั่นเราต่างหากเป็นผู้นำสิ่งว่านี้มาเป็นปืนเป็นไปเผาจิตใจตัวเองไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมาเป็นปืนเป็นไปต่อเราเป็นความหลงของเราต่างหากความหลงของเรานี้คืออะไรพาให้หลงถ้ามาใช่เรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมพาให้หลงนี่แหละอานาจของกิเลสมันเก่งกาสามารถฉลาดแหลมคมอย่างที่ เห็นเอยู่สดสดร้อนร้อนนี่แหละเรายังเชื่อมันได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยกรรมฐานห้านี้เป็นต้นเบิกออกดูให้เห็นผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงสวยงามที่ไหนเด็ดมันพิเศษที่สูงที่ตรงไหนก็เลบรูกันอยู่แล้วฟันคือกระดูกดีดีนั่นแหละมันเหมือนกระดูกทั้งหลายเรียกว่าฟัน มันสวยมันงามที่คงไหนก็กระดูกรู้กัอยู่ชัดๆ ต, ตามหลักความจริงของธรรมเป็นเช่นนี้แต่ตามความจํำรองของกิเลสใส่สารต้านยอไปได้ร้อยแปดธรรมการแล้วแต่สัตว์จะติดจะพันยังไงแล้วจะห ล, หลงไปตามมันในเมื่อใดแล้วมันหลอกได้ตลอด เ, ลลเวลาทุกอาการของร่างกายที่บีบเหยนี้นอกจากนี้แล้วมันยังหลอกไปทั่วโลกทั่วสงสารสารโลกทั้งหลายซึ่งตาบอดหูหงวกจึงถูกมันจูงจมูกมัด ตั้งกับตั้งกันก็ไม่รู้นี่แหละชื่อผู้นําของวัตถุให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เกิบตายหาความทุกไปทุพกพบทุกชาติเพ่อความเกิดเป็นเชื้อเป็ น, เ ป, นเป็นตัวอาการอันสําคัญเนื่องมาจากอวิชชาไดเกิดกิเลสตัวพาใหรุ่มหลงเป็นเป็นต้นเหตุอันเดิมแรกสัตว์ทั้งหลายจึงพากันแบกตั้งแต่กองทุกหาเวลาปล่อยวางไม่ได้เลย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 ที่ให้เกิดทุกนั้นออกไปได้ด้วยอัดด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมยึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากที่จะชะล้างหรือที่จะลบล้างป ร, ราบกิเลสทั้งหลายให้รากไปจากจิตใจและเป็นอิกฉาขัขึ้นมาออันใจที่วิเศษวิโสเนี่ยขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนกรรมาฐานให้ทนั่นก็ท่านตาฝันตะโจหนังอ่ะดูสิ ไว้ที่ตรงไหนงามที่ตรงไหนวิเศษที่ตรงไหนหนังหนังสัตว์ก็มีอย่าว่าจะมีแต่หนังขนหนังเราแล้วเขาวิเศษอะไรกันสัตว์มันมีหนังทั้งนั้นเหมือนมันทําไมมันไม่วิเศษเหตุทําไมเหตุใดมนุษย์เราจงึงถือว่าตัววิเศษด้วยหนังเพียงเท่านี้เปิดเข้าไปด้วยปัญญาของเราพิจารณาดูข้างนอกก็มีแต่ครื่งกิ่งเหงือขี้ใครเต็มไปหมดแล้ว ต้องชะต้องล้างอยู่เป็นประจำไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สงไม่ได้มันจะส่งผินเหม็นครุ้งไปหมดต่างคนก็ตา่างหาบมูลสดมูลแห้งเต็มตัวมาอยู่ด้วยกันได้ไง ม, มนุษย์ถ้าไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สง่งให้พอดูได้เท่านั้นเล่ายังจะเสกสรรปั้นยอมบรของพิเศษที่สูงที่ตรงไหนดูจากผิวนี่ก็รู้อยู่แล้ว ถ้าดูด้วยอัดด้วยทำรรดูด้วยสติปัญญาถ้าไม่ดูด้วยอํานาจแห่งกิเลสตัวมืดมิดปิดตาตัวโลกัาตะละละันรกมันปิดเราให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะความมองหาอะไรไม่เห็นขึ้นชื่ววับของจริงแต่จะเจอตั้งแต่ของปลอมซึ่งเป็นปืนเป็นไฟเพราะหลุนเราทานั้นด้วยเหตุ น, นี้ท่านจึงสอนให้นะบทธรรมย่อๆในเวลาบวชซึ่งเป็นเวลาเพียงเล็กน้อย ให้นำอันนี้ไปพิจรารณาเราจะบริกรรมเป็นสมถกรรมาฐานก็ได้บริกรรมในอาการทั้งหา้านี้บทใดก็ตามก็เป็นสมถะได้บริกรรมไปแล้วยังไม่แล้วยังพิจารณาไปตามอาการที่ตนบริกรรมนั้นอีกก็กลายเป็นมิตตัดศาสนาไปด้วยกันนั้นอีกได้จากนั้นก็พิจารณาเข้าไปหนังข้างนอกกับข้างใน มันต่างกันอยู่มากแม้ข้างนอกเป็นของสปกปรกแต่ก็ยังสู้ข้างในไม่ได้พลกออกมาดูเต็มไปด้วยเลือดด้วยปุโพโลนิแล้วเลือกเข้าไปเท่าไรมีตั้งแต่กองอัสุภะกองสปกปรกโสโครบทั้งนั้นร่างกายมนุษย์ทั้งร่างอะไรจะสปกปรกยิ่งกว่านี้ล่ะเราดูสิทำมจริงไม่พิจารณา ให้เห็นตามความจริงให้กิเลสมันหลอกอยู่ทําไมว่าสวยสวยได้ยังไงตาก็เห็นกันอยู่นี่มันสวยที่ตรงไหนตาเราก็เห็นอยู่ตามนุษย์แท้แท้ยิ่งเป็นตาอัตตาธรรมตาลูกศรรีตาขากดที่จะสอดแทรกปัญญาเข้าเป็นกล้องอันหนึ่งซองลงไปตามหลักความจริงทําไมจะไม่เห็นอพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดมีตั้งแต่กล้องที่ทันสมัยทั้งนั้นคือปัญญาสติ ภาพกันไปบังคับกันไ ป, นไปพิจารณาให้เห็นตามความจริงของอาการทุกส่วนภายในร่างกายหรืออาการใดก็ตามมันหากจะกระจายไปหมดทั่วสาารรพา่างกายเพราะเป็นสิ่งเหมือนเหมือนกันหมดแต่พูดถึงว่าอสุพะอสุพังเป็นของปฏิกูลโสโครมันก็เต็มหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราตัวเขาอยู่แล้วไม่มีอะไร บ, บุกร่องและวม่มีอะไรปฏิกูลเกินร่างกายของมนุษย์หญิงชายนี่เลย เหตุใดจึงไปเสกสรรปั้นยว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใครชอบใจนี่เรื่องของกิเลสมันตรอมอย่างนี้แหละมันไปออกของปลอมไปครอบในของจริงทั้งหลายโจนมองไม่เห็นความจริงทั้งทั้งที่ความจริงมันเป็นหดังที่ว่ามานี้มันก็มองไม่เห็นมันเชื่อไม่ได้ว่าเป็นของจริงมันไม่ลงใจว่าเป็นของจริงแต่มันลงใจว่าเป็นอของ ยิงตามทางกิเลสที่มันหลอกตัวจ อ, ปอมปลอมนั้นหลอกผีเสียมันเข้าใจว่านั่นเป็นของจริ ง, งทั้งๆที่จริงนั้นเป็นของปลอมความจริงแท้มัมนไม่ยอมเชือ่อก็เหมือนกับว่าทําเป็นของปลอมไปเสียเพราะถูกกิเลสกล่ําถูกกิเลสมันปิดบงังไม่เห็นความจริงโลกทั้งหลายจึงหลงกันใครไม่อยากหลงแต่สิ่งที่พาให้หลงซึ่งเหนือนอํานาจเรามันมีเรื่องนี้จึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยกเข้าไป ตามสัดส่วน ต, ต่างๆซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างดูให้ไปตลอดทั่วถึงเรียกว่าเที่ยว ก, กรรมฐานภายในร่างกายนี่ยาพูดแต่เพียงว่ากรรมฐานห้าเท่านั้นกระจายไปได้ทางนั้นเพราะเป็นกรรมฐานด้วยกันดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาและดูเข้าไปลึกเท่าไรก็ยิ่งจะเห็นความจรงิงขึ้นมาโดยลําดับยิ่งเห็นสิ่งที่ศกดิ์สโสมมเต็มไปในร่างกายนี้โดยลําดับลําดา แล้วออกจากนั้นก็เป็นเนื้อเนื้อเป็นยังไงสวยงามไหมอะไรมันวิเสศที่สทูที่ตรงไหนเนื้อมันวิเสศษที่ตรงไหนน่ารักให้ชอบใจที่ตรงไหนก็เนื้อรู้กันอยู่แล้วเอ็นสวยงามที่ตรงไหนมีเสศที่สูที่ตรงไหนน่ารักให้ชอบใจที่ตรงไหนก็เอ็นกระดูกกระดูกก็เป็นท่อนๆก็เหมือนกับ ก, กระดูกสัตว์ทั้งหลายนั้น ม, มันมีสาระอะไรพอที่จะ ยกยอป่อปั้นขึ้น่าเป็นของพิ่เสียิโสว่าเป็นเราเป็นของเราถึงได้เทิดทุนมันหนักหนาจนกระทั่งมันสร้างกองทุกเผาจิตใจเพราะความยึดความถือความหลงของนนมันไม่รู้สึกตัวหนักเท่าไราก็ยกก็ทนเอาอแบกอะไรทุกวันถ้าแบกตั้งแต่เพียงร่างกายเพียงเท่านี้ก็ยังไม่พอแบกบความน้คาคัญมั่นหมายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของเขารักนั้นชอบนี้เกลียดนั้นเกลียด น, น, ยนี้ด้วนแล้วต่างเป็นเรื่องของกิเลดที่จะ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 เขาตายก็ตามเราตายก็ตามเรายังไม่ตายดูคนตายก็เคยดูกันมาแล้วเป็นยังไงน่าพึงใจไหมดูอะไรทุกส่วนมันน่าใสา่ใจนน่าเกลียดก็เสียทั้งหมดติดหูติ ด, ต, ดตานอกจากนั้นยังกบัวผีมันอีกอะไรจะน่าขยับแ ย, ย, ยงยิ่งกว่ามนุษย์ตายแล้วเห็นนายจึงไปคร่าหน้าด้านเสกสรรป้อนย่อว่าเป็นของสวยของงามรักให้ท่ำใจแบกหามอุปทานแทบจะเป็นจะตายถ้าใจนี่เป็นของกิสศลาย ไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปเวลานานแล้วเพราะอบช้าไม่มีอะไรเกินจิตนี่เลยนี่เหลือไม่ว่าตัวไหนเข้าไปก็เผาเข้าตรงนั้นทุกน้อยใหญ่อะไรเผาที่ตรงนั้นเผาที่ตรงจิตซึ่งเป็นตัวการท้ายเกิดเพราะอวิชชาเป็นเชื้อนํำทุกน้อยใหญ่จึงเผาลงที่จิตเผาลงที่จิตหากจิตเป็นสิ่งที่สลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปนานไม่มีเหลือเลยในจิตของบุคคลนศสัตว์ ดวงหนึ่งหนงพูดหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งแต่นี้จิตทําลายไม่ได้ทํำลายไม่ได้ตายทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ชิบหายจึงต้องทนมาได้ถึงขนาดนี้แะเรายังจะทนทุกพลัความทุกข์ทรมานเพราะอํานาจแห่งความหลงที่กิเลสกล่อมนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจกับอัตถิธรรมกับการ พ, พิจารณานี้สมควรแล้วหรือกับนักปฏิบัติทของเราเราต้องสอนเราอย่างนี้ เรต้องพิจารณาอย่างนี้ยกย้อนเราอย่างนี้หาอุบายอย่างนี้การสอนตนด้วยปัญญาไม่เค่นั้นจะเกิดอุบายขึ้นมาไม่ได้อยู่เฉยเฉยก็อยู่เฉยอย่างนั้นแนะ่ะแต่กิเลสมันไม่ได้อยู่เฉยเฉยมันสร้างกองทุกข์ขอเราตลอดเวลาผู้ที่จะแก้กิเลสอยู่เฉยเฉยได้ยังไงต้องพินิษพิจารณ า, านี่เปนการพิจารณาร่างกายก็หนังที่ว่ามั น, นี้อาตายแล้วเป็นยังไงมันทพองขึ้นมาขึ้นอืดขึ้นมาเน่าเหม็น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 แล้วไหนความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ตรงไหนดินนั่นหรือเป็นเราดินนั่นหรือเป็นของเราดินก็เรียกว่าดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรมันอยู่ในร่างกายเรานี้มันก็คือดินคือน้ําคือลมคือไฟไปเสกสรรบัญยอมมันว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไงถ้าใช้ปัญญาต้องต้องทําอย่างนี้ี่ซักพ่อเป็นอย่างนี้ให้เห็นถึงความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้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 สิ่งเหล่านี้พาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่ดนดนๆอนตามอํนานาจแห่งวิบา ก, กรรมที่ทําลงมาทั้งดีและชั่วใจเป็นผู้ทําเมื่อทำลงไปแล้วหาทั้งหลายจึงต้องได้รับทั้งผลดีผลชั่วจะจําได้ไม่ได้ก็ตามในการกระทําของตนเองทั้งดีและชั่วผลจะปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ทําใจตีกราวไว้แล้วจะต้องมาที่ตรงนั้น ผลจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นไม่ว่าสูกว่าทุกเพราะผู้นั้นเป็นผู้เกิดพบน้อยพบใหญ่ก็คือผู้นี้เป็นตัวพบตัวชาติที่เรเกิดแก่เก็บตายอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเพราะอาวิชชาปัิญาสร้างขารานั้นเป็นสําคัญมากทีเดียวมีการพิจารณาพิจารณาให้เห็นชัดองไปอย่างนั้นนี่แหละการเดินตามแบบแปลนแผนถังคือสาธรธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้ดําเนินอย่างนี้เอาพิจารณาให้หลายตลบทบทวน ซ้ำๆ ซ, ซากๆให้ถือนี้เป็นงานประจําจิตของตนเองเรียกว่าความความเพียรหรืองานหมายถึงการพิจารณาอย่างท่านเรียกว่าปัญญาเนี่ยวิปัสสนาเห็นแจ้งตามความจริงถ้าพูดถึงว่าอาสุภะอาสุพังก็เป็นจริงๆประจักษ์ด้วยปัญญาแต่พูดถึงเรื่องธาตุก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นความแตกสลายก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็น ทุกขังเขาเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอั น, นิจจังความแปรสภาพเขาประจักษ์ด้วยปัญญาอนัตตาหาสาระหาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้ในอัตภาพร่างกายนี้หรือในขันต่างห้านี้นี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาซอดแทรกลงไปให้เห็นตามความจริงของมันแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เถอะ ทนปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้พอรู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงไหนปล่อยทันทีปล่อยทันทีเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตลอดตัวถึงปล่อยหมดอความหลงที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเขาว่าเราหมดเหลือแต่ความจริงล้นล้วนคือศักแต่ว่าธาตุศักแต่ว่าขันศักิแต่ว่าเราว่าเขาที่ตามชื่อของสมมติเท่านั้นแต่จิตไม่ได้ยึดในถือเพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นของสมมุติ เราก็รู้ว่าเราเขาก็รู้ว่าเข า, า, เขาตามขั้นของมูดนั่นหญิงนี่ชายก็รู้ตามขั้นของมูแต่ไม่ติดแต่ไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธให้สิ่งเหล่า น, นั้นไม่ยึดไม่ถือสิ่งเหล่า น, นั้นนี่เรียกว่าปัญญาถ้ารู้แล้วไม่ยึดจึงเรียกว่าปัญญารู้อะไรเห็นอะไร ย, ยดึดนั้นนั่นคือกิเลสตากระทบเสียงก็เป็นไฟเข้ามาเผาหัวใจ เพราะความรักความชังในรูปนั้นๆหูกระทบเสียงก็ก้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเพราะความพอใจไม่พอใจในเสียงนั้นๆกลิ่นนดเครื่องสัมผัสเช่นเดียวกันกระทบสัมผัสอะไรก้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเผาใจทั้งนั้นเพราะกระแสที่ออกไปนี้ด้วนแน่แต่เป็นกระแสของกิเลสออกไปทางตาสู่รูออกไปทางหูสู่เสียงออกไปทาง จมูกสู่กลิ่นออกไปทางลิ้นสู่รสออกไปทางกายสู่เครื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วกว้านความรุ่มความหลงที่เกิดขึ้นจากความรักความชังความเบียดความโกรกไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาเผาหัวใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการของอวิชาหากลิ่นของอวิชาสั่งสมความทุกข์ใส่หัวใจของสัตว์เต็มอำนาจของมัน เรื่องอำนาจเต็มที่เมื่อสติปัญญาคือทำยันแทรกเข้าไม่ถึงการพิจารณาที่ดังที่กล่าวมานี้คือการเปิดให้ความจริงออกมาจากความจำปลอมของที่เดี่ยวดาเนียวิชานั้นมันเสกสรรปั้นย่อเอาไว้ปักเสียบเอาไว้เปิดเผยเออกมาให้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่ไม่ติดได้ยิน รูปเฉียงกลิ่นนวดเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้เหมือนกันกับคนทั่วๆไปเห็นเหมือนกันกับคนทั่วๆไปรู้เหมือนกันคนทั่ ว, วไปแต่ไม่ยึดไม่ถือเพราะความรอบคอบของสติปัญญาพอตัวแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วนี่แหละความเห็นของใจที่เป็นธรรมแล้วกับความเห็นของใจที่เป็นกิเลสทั้งดวงต่างกันอย่างนี้การได้เห็นการได้ยินได้ฟังไม่เหมือนกันผลที่จะ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 เพราะปัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีสิ่งใดเหลือ่านในใจนั่นเลยเหรือแต่วิมุตความบริสุทธิ์ล้วนๆของใจนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเป็นจิตที่วิเศษอันนั้นต่างหากวิเศษอืมผมขนในพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะในส่วนรน่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนที่เราแบกเราหามอยู่นี้ไม่ใช่ของวิเศษอืมันกองป่าท้าผีดิบ ต, ต่างหากมาเสกสรรทัานยอมันว่าวิเศษอะไร สิ่งที่วิเศษอันตระอย่างแท้จริงดังทำผู้เจ้าทรงสอนไว้คือใจที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นสิ่งที่วิเศษทางที่จะกล้าเข้าสู่ความบริสุทธิ์วิเศษนั้นคืออะไรก็คือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้การจงพากันดําเนินเดินตามแบบการแผ่นถังคือสวสดคารธรรมที่ตัดไปนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่าลดหย่อนอ่อนกํำลังอย่าท้อถอ ย, ยกิเลสไม่เคยอ่อนกําลังด้วย ลำพังของตัเองนอกจากจะอ่อนกําลังลงด้วยการต่อสู้กันลบฟันหั่นแหลกกันเท่านันให้มันอ่อนกําลังลงโดยรธรรมชาติของมันไม่มีทางและทุกที่จะหลุดพ้นไปหมดไปจากจิตใ จ, จของสัตว์โลกเพราะการอยู่เฉยๆการไม่สนใจการไม่สนใจในการเตื้องการปกร์การแก้ไขต่อถอนการช้ากันล้างตลอดกับตลอดกันไหนก็แบกภูมอยู่เช่นนั้น ไม่มีคำว่าต้นและมีคำว่าปลายก็คือจิตกับทุกข์ที่แบกหามกันนี่แหละทีจะสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้ก็เพราะอํานาจแห่งความดีตั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปโดยลําดั บ, บ น, นี่คือจิมฉะล้างแต่เพราะอย่างยิ่งกิจตักภาวนาเป็นสําคัญที่จะล้างโลกโลกคืออะไรโลกคือมูสัดได้แก่อะไรได้แก่หัวใจที่ติดพันกับสิ่งทั้งหลายยึดมั่นหรือมั่น ทิ้งทั้งหลายไม่ว่าหัวใจใดท่านจึงเรียกว่ามูสัตว์สาตาแปลว่าผู้คล้องผู้ติดข้ามโกความกันที่ตรงนี้ล้างโลกล้างที่ตรงนี้โรคที่สกรปรกที่สุดก็คือใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอสุวะของความโลภความโรกรธความหลงราคะตัณหานี่คือตัวสกรปรกครอบหัวใจอยู่ใจจึงหาความดีเศษไม่ได้เมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้ชะเล้างเข้าไป หรือปราบปรามเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะพังลงพังลงพังลงแตกกระจายลงไปโดยลาดับลำดาจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละความพิเศษคือจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนวนเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นแหละคือจิตแท้นั่นแหละคือธรรมแท้ที่เป็นผลขึ้นมาจากแบบแปนคือตำรับตำนาที่ท่านสอนไว้สอนให้เข้าสู่จุดนี้ตังหา <c oughs> ไม่ใช่มรรคผลนิพพานจะอยู่กับคําสอนนั้นเท่านั้นอันนั้นเป็นแปลนอันนั้นเป็นตำหลักตำราสอนเข้ามาเพื่อถึงความจริงอันนี้นี่แหละเป็นตัวมรรคนี่แหละเป็นตัวผลนี่แหละเป็นตัวบริสุทธิ์เป็นผู้ดูดพ้นคือผู้นี้นี่แหละถ้าพูดถึงว่าบ้านก้อนนี้แหละที่นี่บ้านนั่นเป็นแปลนนี้เป็นบ้านสำเร็จอยู่ที่ตรงนี้ขอให้พากันประพฤติปฏิบัติอย่าท้อถอยอยาชินชากับความทุกข์ทั้งหลาย มันเคยทุกมานานแล้วหน้าเข็ดหลากพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาของเราทรงเข็ดหลากมาพอพระภัยแล้วได้ตรัสสรุปธรรมขึ้นมากระเทือนสามแดนโลกฐานเพราะความหลุดพ้นจากความกดขี่บังคับบังคับของวัตจักรวัตจิตสังสารจักรก็ได้เกี่ยวกิเลกสกษัตริย์วัตจักรก็ได้เกี่ยวกิเลสตัวครอบหัวใจไว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 แต่เป็นสยามภูทรงค้นเองรู้เองเห็นเองขึ้นมาบริสุทธ์เองแล้วนำพระโอาวาทเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่หลังจากได้ตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพานไม่เคยพระองค์ไม่เคยลดละในการสงเคราะห์โลกไม่ว่าจะเป็นโลกใดจะควรสงเคราะห์ด้วยอาบ ด, ด้วยธรรมด้วยวิธีการใดไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธจ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 การทำประโยชน์ให้โลกจึงไม่มีใครที่จะเสมอประพุทไเจ้าทำได้หมดทั้งสามโลกกับฐานอุบายวิธีการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างไม่ต้องหามาจากไหนไม่ต้องไปศึกษา เ, าเรียนมาจากที่ไหนคัมภียใดจากครูใดอาจารย์ใดทรงขนฝายด้วยพระดำพังพระองค์เองด้วยหลักของสัพพัญญูอันประจำอ ง, องศ า, าสดาแต่และพระองค์งเป็นอย่างนั้นและการสั่งสอนสั่นโลกมีเวลาเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตั้งแต่แตรัสรู้แล้ว ในหลักพุทธกิจท่านก็สอนไว้แล้วว่ตอนบ่ายก็ทรงแนะนําสั่งสอนนี่หมายถึงเป็นการนะตอนบ่ายสามสามโมงสี่โมงเยน็นประธานพระอาวาุวราชแจกไพฟ้าประชาชนนับจากพมหากษัตริย์ลงมาโดยลําดับถึงประชาชนคนธรรมดาพอตอนข้ามก็ประธานพระอุวาชแจกพระสงฆ์เป็นประจํา พอเที่ยงคืนก็ประทานพระโอาวาสแก่เทวดาและแก้ปัญหาเทวดาตามขั้นภูมิต่างๆที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่ภรมโลกลงมาถึงภูมิเทวดาคือลูกัดเทวดาอากาศสาเทวดาีพอปัชิมยามทรงเล่นยานดูสั ต, ตวโลกยานคือความละเอียดแหลมคมแห่งความรู้ที่ไม่มีใคร เป็นคู่แข่งรงเรียนยานดูสัตว์ตโลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมหลุดพ้นจากทุกข์ได้ใน ก, การรวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนจะไม่สมหวังผลที่พึงจะได้รับเต็มหัวใจนั้นจกหาดสบัดลงไปเพราะอันตรายแห่งชีวิตมาถึงก่อนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนใครเนี่ยตอนเช้าก็เสด็จออกบินพระบาทโปรดสัตว์โลกด้วยพระเมตตาจริง ไม่ได้ไปด้วยความโลเลโลกเรกในเรื่องอาหารอโลกามิตฐทั้งหลายแต่ไปด้วยหลักของศาสดาไปด้วยพระเมตตาไปด้วยความสงสารสัตว์โลกจริงๆใครได้เห็นใครได้ยินได้ฟังเวลารับสั่งแม้แต่ประโยคเดียวเท่านั้นก็เป็นสิ่งมงคลมหามงคลเต็มที่แล้ววัตถุยทานที่เขามาบริจาคท่านผู้บริสุทธิ์วิเศษดังมาพูดใเจ้าจะประมาณได้ยอย่างไรว่ามีผลอนันยิ่งใหมากขนาดไหนเอ่ยเรียกว่าปูกสัตว์โลก เห็นก็เป็นการโปรดได้ยินก็เป็นการโปรดเขาทําบุญให้ทานมากน้อยเป็นการโปรดทั้งนั้นน่หากจะว่างบ้างก็หลังเสวยพระกราหารแล้วได้พักบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นบางบันบางเวลาแล้วประชาชนเมื่อมีความภโลกเรื่อมใสพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทําไมเขาจะไม่มากลางบันแม้แต่เพียงอย่างบ้าตากบ้านตากเราเนี่ย หังผมนี่เท่ากับยังหนูตัวหนึ่งเท่านั้นก็ยังมีประชาชนมากังวี่กลางวันเขากลับมาเวลาไหนเขากลับมาเขาไม่เห็นมีกําหนดกดเจงอะไรนี่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออดัดเพื่อทำเพื่อเคารพกราบไหว้องค์ศาสด า, า, า, า, าองค์เอกทําไมจะมีเวล่ำเวลาจํากัดจาเกียด ถ, ถึงขนาดนั้นเนี่ยอนั้นหมายถึงหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าต้องทำตามทวิสัยของพระองค์ที่เรียกว่าพุทธกิจห้าคืองานของพระพุทธเจ้า ส่วนปีกย่อยกลางวี่กลางวันนี้ก็ต้องมีล้วนแล้วตั้งแต่การสงฆ์ข้อโลกทั้งนั้นด้วยอัดด้วยธรรมเป็นของสําคัญเราพิจารณาและใครในโลกนี้จะทําประโยชน์ให้ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเร า, ส, าสอนโลกกสอนได้ถึงสามแดนโลกธาตุมนุษย์จะสอนกันไม่เห็นได้เลือกได้หรือเพียงมนุษย์ตาดําๆมองเห็นกันอยู่ด้วยกันนี้ยังสอนกันไม่หลงสอนกันไม่ได้พระพุทธเจ้ายังสอนได้ทั้งเทวบุตรเทวดา แล้วใครจะทําประโยชน์ให้โรคได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเราพิจารณา น, นี่นี่ล่ะอํานาจของธรรมอำนาจแห่งความดีอํานาจแห่งความปฏิวิเศษของใจที่บริสุทธิ์แล้วอํานาจของธรรมที่เกิดขึ้นจากพระไทยที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีอํานาจมากเป็นความจริงเต็มจักเป็นส่วนการแนะนําสั่งสอนผู้ใดใาดาก็ตามทรงทราบทั้งยานคือทั้งพยานภายในจิตใจถ้าเป็นหมอกับหมอปริญญาเอกแล้วพอมองเห็นคนไข้ ยังไม่ได้ถามด้วยซ้ำรู้แล้วเล่า ว, วางยาถูกปับป๊บปั๊บปับไม่ได้เหมือนหมอเถื่อนหมอเถื่อนนี่ผิดกันอยู่มากทําให้คนให้ตายได้เยอะถ้าหมอบริญญาที่เรียนมาด้วยความถูกต้องแม่นยำแล้วยาได้ผลประโยชน์เป็นส่วนมากนั่นนี่องค์ศาสนาก็คือองค์ปริญญาเอกไม่มีใครเสมอแล้วเอกคือทำแท่งเดียวใจบริสุทธิ์ครับอ่าดวงเดียว วิเศษอยู่ในนั้นนําทําออกมาจากตรงนั้นมาสั่งสอนโลกจะผิดไปที่ไหนเขาจะสั่งสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยําและถึงใจยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเนี่ถึงว่าได้ทําประโยชน์ให้โลกได้มากมายขนาดนั้นลองระดับลงมาก็คือสาวกเพราะเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงสิ่ ง, ง, งที่รู้จริงเห็นจริงนำออกมาสั่งสอนหรือมาพูดให้ใครฟังก็ตางมีความตะทกสะท้านที่ไหนเมื่อได้เห็นประจักษ์ได้รู้ประจักษ์ใจแล้วแม้แต่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหู เราไม่เห็นสตุกสถานก็เราไปเห็นเองสิ่งนั้นเราได้ยินเองเรื่องนั้นเราพูดได้แม้แต่เด็กเขาก็พูดได้นี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระไตยพระจักพระไตยแล้วทําไมจะมาสั่งสอนโลกให้ผิดพลาดไปได้นี่เนี่เรื่องแห่งความพิเศษของจิตเป็นเช่นนั้นพลังของกิตไม่มีอะไรเสมอยิเลศมีพลังมากพลังของจิต เกิดไม่ได้มีไม่ได้พลังของธรรมมีไม่ได้มีแต่พลังของกิเลสการแสดงออกทางหูทางตาทางจมูกทางลิน้นทางกายต ล, ลอดทั้งอวัยวะทุกส่วนที่แสดงออกพร้อมหน้าของกิเลสใครก็รู้กันเห็นกันทั้งนั้นเป็นยังไงเออือเช่นความขี้อยู่ความโกรธความไม่พอใจแสดงออกมาเป็นยังไงเรื่องของกิเลสความพอใจก็เป็นเรื่องของกิเลสแสดงมาเป็นยังไงใครๆก็รู้เพราะต่างคนก็ต้องเป็นคลังกิเลสด้วยกันแต่ส่วนธรรมะ ที่บรรจุอยู่ในทระไทยของอพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกหรือครูอาจารย์ใดก็ตามที่ท่านถึงความบริสุทธิ์แล้วพลังของใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้เพราะฉะั้นเวลาท่านแสดงออกในกิริยาท่าทางต่างๆเช่นลักษณะขึงขัขงตึงตังดุดาว่ากล่าวซึ่งเป็นพลังของธรรม ล, ลวนเขาถึงว่าท่านโมโหโทโสเขาว่าท่านเป็นครางิเ ม, าา ม, มีจากความโลภบ่มีแต่ความขู่ความโมโหตโัวโตสั่งสอนโลกสั่งสอนมนุษย์นาทําไมจึงต้องไหวนั้นในเขาเขาหาได้ทราบมากว่านั้นคือพลังของธรรมที่แสดงออกมาด้วยความบริสุจธใจล้วนๆเพราะเขาไม่เคยรู้เขาไม่เคยเห็นเนื่องจากธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีร่างกายเหล่านี้มีเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นบิบากของกิเลสตัางหาคือบิบากได้แก่ผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสทาให้เกิดจึงเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสได้ถูกปราบ แหลกละวเหยียดลงไปไม่มีเหลือแล้วขันอันนี้จรงเป็นเครื่องมือของธรรมธรรมอาศัยขันอันนี้เป็นเครื่องแสดงออกดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสองโลกก็ต้องอาศัยธาตขันนี่แหละเสด็จไปที่นู่นที่นี่การแสดงอัดแสดงธรรมล้วนแน่ตั้งแต่ใช้ขันนี้ตั้งนานส่วนธรรมอยู่ในพระไทยธรรมที่อยู่ในพระไทยออกระบายออกมาทางขันให้โลกได้เข้าอกเข้าใจการแนะนําสั่งสอนนี่ หากว่าทำมีเครื่องมือเป็นของตนแล้วจะไม่มีอะไรวิเศษพิโสยิ่งกว่าลวดลายของท่านผู้มีธรรมและพลังของธรรมแสดงออกมาให้โลกเห็นนั้นได้เลยไม่มีอะไรแข่งแต่นี้ทำไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีแต่พลังอยู่ภาณจิตมีแต่ความรู้สึกอยู่ภาณจิตเท่านั้นการแสดงออกโลกจึงเข้าใจได้ยากโลกจึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเจตเดชปัญหาเมื่อพลังของธรรมแสดงออกมาเช่นนั้นเพราะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของกจเดช กิจาที่สแสดงออกจึงเป็นคล้ายคลึงกัน ท, ทั้งๆที่อันหนึ่งเป็นพลังของธรรมอันหนึ่งเป็นพลังของกิเลสแต่มันก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันจึงกลายเป็น่านนรภาษีนี่เดียพูดทีนี้ขอพู ด, ดยอกย้อนกลับคืนถึงเรื่องสมถะวิปัสสนานี่แหละทางเพื่อความพ้นผูกพ้นที่จแลเราอย่าเข้าใจอย่าทำผันว่าจะไปพ้นที่นู่นไปพ้นที่นี่ ไปพ้นบนดินฟ้าอากาศที่ไหนพ้นที่ใจเพราะทุกอยู่ที่ใจเครื่องผูกมัดมอยู่ที่ใจปลดเรื่องด้วยธรรมปลดเรื่องที่ใจแก้กันที่ใจพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังที่อธิบายมานี้แล้วความสงบของใจที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิสมาธิในตำหักตำราก็จะปรากฏเป็นตัวบ้านตัวเรือนเป็นองค์ธรรมขึ้นมาคือสมาธิธรรมขึ้นภาในใจของเรา คำว่าวิปัสสนาก็เหมือนกันก็จะปรากฏความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาประจักษ์ใจสิ่งที่เคยยืดเคยถือเคยสําคัญมัน่นหมายจะพังทลายลงไปหมดเพราะอํานาจแห่งวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราจะปรากฏเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาเป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาถาวรร้านว่าตึกก็คือว่าองค์ธรรมแสดงขึ้นมาที่ใจทําละลงไปทําละลงไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลืออมันเกาะอยู่ที่ตรงไหนที่เละ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 ชั้นยาสังขาวิญญาณที่กิเลสเข้าไปถือไปเป็นเจ้าของกิเลสพังลงไปพังลงไปเหลือแต่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะไม่มีที่อาศัยถูกอาวุธคือสติปัญญาฟาดฟันธนแหลกเข้าไปวิ่งเข้าสู่อุโมงค์ได้จากจิตจ้นล้วนที่นเข้าไปสู่จิตนั่นแหละที่นี่อวิชชาล้นลวนอยู่ที่นั่นกิ่งก้านสาขาของวิชาบริษัทปริวาณของวิชาที่ แผ่กระจายมาภายนอกได้ถูกสติปัญญาตีท้านเข้าไปต้านเข้ไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่เข้าสู่จิตพิจารณาที่จิตอีกด้วยสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาท่านในขัง้งพุทธการท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อเราพิพิจารณาเมื่อเราฝึกซ้อมอยู่มาหยุดไม่ถอยไอ้เรื่องความล้มลุกคลานนั้นมันลุกได้ตั้งได้ใช่ไหมสติปัญญานี้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่เกลี้ยงไกลขึ้นมา ทันต่อเหตุการณ์ทันต่อกนมายาของกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทไหนจนกระทั่งตีตะล่ำเข้าไป ส, ดดสู่จุดดวงเดียวสู่จิตดวงเดียวและฟาดปา น, นแหนบกันเข้าไปนั้นอีกการพิจารณาอวิชชาอยู่ที่จิตก็พิจารณาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมภายนอกเป็นแต่เพียงว่าไม่ไ ม, ไม่มีอสุภะอสุภังแต่เป็นเรื่องตัวอนิจจังทุกขังนาตาเพราะกิเลสนั้นเป็นสมมูิอนิจจังทุกขังาตาก็ครอบปันกับสมมูลนั้นพิจารณะมันเป็นเราที่ไหน เดวก็ตั้งแยกแยกกันได้แต่กระจายลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้อันนี้จังทุกขงังตาก็หมดปัญหาไปมหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปพิเรดดับไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่ากิเรดดับไปอันนั้นและคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์อันนั้นแลคือธรรมพิเศษจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่แหละการสัมผัสธรรมตาไม่สามารถสัมผัสธรรมได้ หูไม่สามารถสัมผัสทําได้จมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสทําได้เพราะทําไม่ใช่วิสัยของหูตาจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันได้แต่เป็นนิสัยของใจยอย่างเดียวเท่านั้นให้เริ่มปฏิบัติกันเพื่อความสัมผัสสัมผัสทําตั้งแต่สมถะรำวิปัสสนาธรำขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุติธรรมจะนอกเหนือไปจากอีกนี้ไปไม่ได้เลยเอาดงตรงนี้สิพิจางณาตรงนี้ให้ได้เห็นที่ว่าความบุญพ้นเป็นยังไงแล้วให้ได้เห็นชัดชันว่ามนุษย์เรากิก็ดีสัตว์ตั้งหลายก็ดี เกิดแล้วมันตายหรือเกิดหรือตายแล้วมันศูนย์หรือตายแล้วมันไม่ศูญมันเป็นยังไงมันจะไม่นอกเหนือจากการพิจนารณานี้ไปได้เลยลจะรู้กันหมดเคยเกิดเจ็บเกิตายมากี่โปบ ก, กี่ชาติมันจะประมวลมาเข้าสู่ในจิตตรงเดียวนี้ว่าอวิชชาปัญญา ต, ตัวเดียวนี้เท่า น, า น, านั้นนพาให้สัตว์เกิดจเจ็บตายเพราะมันเป็นชื่ออันสาคัญอยู่ฝังอยู่ภในใจพอพังอันนี้ลงไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรเหลือทีนี้จิตตายไหมนั่นจะิตตายบิสุทธ์ได้ยังไง พระรพุทธเจ้ากิเลสพังลงไปหมดแล้วพระองค์สั่งสอนสัตว์โลกได้เพราะจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์อนั่นมันสูญไปแล้วเอาอะไรไปสอนโลกอาหะไม่เห็นจะชาติสีสารพิติโกความเห็นเองปัจจังเวริตโบวินยูหีรู้ที่นี่ไม่ได้รู้ที่ไหนปฏิบัติที่ตรงนี้แก้กันที่ตรงนี้ไม่มีคำว่าการนั่นสถานที่นั้นสถานที่นี้เป็นมากุนิพภานหรือสิ้นสุดมากุนิพภานมันมีอยู่ที่ใจของเหล่านี่แหละอืยกิเลสก็ห้อมล้อมอยู่นี่ทําให้สัตว์โลก ที่โง่หลงมุ่งงานไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเข็มหมดสมัยปฏิบัติเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ก็จะเห็นยังไงก็กิเลสปิดหัวมันอยู่กิเลสหล อ, อกมัอยู่เวลานั้นอืคําพูดเช่นนั้นก็เป็นคําพูดของกิเลสหล อ, อกต่างหากนี่เวลาเบิกออกไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปฟันเข้าไปที่นี่ตัวมันจำปรมที่ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมันก็แตกกระจายไปอะไรเป็นมรรคผลนิพพานนะี่คือความปราที่เดลดเรียบเรื่อนันแหละคือมรรคผลนิพพานจะเป็นที่ไหนไปถามมันจริงจังที่นักปฏิบัติตให้รู้ ตุกตาเครื่องเล่นของเด็กนี่วะพวระเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทำไม่ทำให้เป็นธรรมเอกเราปฏิบัติแบบรุ่นร่อนๆให้มันเห็นของจริงได้ยังไงเอาให้มันเห็นของจริงที่อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าไปหลงมงมงายกับคนว่าการนั่นสถานที่นี้ว่าเป็นเวลาที่ห น, นมรรคผลนิพพานมีไม่มีหรือสิ้นสุดไปภายปฏิบัติยังไงก็ตามไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีสิ้นสุดไปแล้ว น, นั่นมันโมคะบุรุษตาฟางบุรุษตาบอดอย่าไปเชื่อพูดทางธรรมทนังกระฉามให้เชื่อตรงนี้ ปชื่ออะไรคนหูหนวกตามหมดมันพูดออกมาเรื่องความโง่ความหงุดหงิดของกิเลสครอบหัวมันตั้งหาัาพระพุทธเจ้าพระธรรมสู์กิเลสไม่ได้ครอบนี่นะ่ะนี่เราเป็นสรารนาของพวกเราเอาตรงนี้เป็นเป็นหลักตาพระตาเธอเราเคยเกิดเคยตาย ม, มากี่พว ก, กี่ชาติแล้วทุกเพรอะไรทุกทุกเพราะการต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดเราจะทุก เ, เราไม่เคยทุกหรือเราเคยทุกมาแล้วทําไมเราเราไปกลัวอะไรกับทุกเพื่อในการต่อสู้กิเลสเอาให้ยิงให้จังโอ้ร<อ>ู้สึกเหนื่อยเพียงเท่านี้รู้สึกแล้ว ยังไม่ถึงไหนเลย อ, อกระจางไปแล้วมันก็ไม่หลงจิตมันก็ไม่ยืดจิตเข้าใจไหมนั่นจิตบริสุทธิ์หมดการยืดการถือถืออะไรอีกอ๋อเหนื่อยแล้วว้ยไม่ไหแล้ว เทือดมืดไม่นมดผู้เดียวลไปตั้งเกือบชั่วโมงเลยไปคนน้แบบเรานี่ยแบบมังกีเรานี่เราแบบมังกีเอาแบบไหนแบบดีแบบดีของท่านแม่ก็ได้เรืองนะแแบบมังกีเต็มตัวเราไปไหนมังกีเต็มตัว เมื่อวันนั้นท่านอะไรได้ยินนะ่ะนี่แหละมันเป็นเหตุหนึ่งนะผมไม่ได้ยินดีก็เขามาพูดอย่างนั้น น, นนะแล้วก็ดีสำหรับหัวใจเขาแต่มันก็บอกช้ำสำหรับผมเองความหมายว่าอย่างนั้นแมาพูดอย่างนี้วันนั้นเด็ก็พูดเรื่องอัธีอะไรสำหรับผมของผมเนี่ยที่ คนออกไปแล้วเนะ่ยเขาเขาเอกไปนี่ก็หมอแล้วนะี่คนนี้ก็หมอเอาไปไว้รายการพระธาตุหมดว่ะไม่พูดต่อคนมากๆอย่างนี้ด้วยเราไปพูดเพื่อเป็นทางดลีกเลี่ยงไม่ใช่ของของท่านอารมั่นหลือไม่ใช่ของท่านอาจารยไปใหญ่เลยเราก็เลยหยุดเฮ้ยคนมากๆไม่ได้ยินนี่มเอะไรทที่นี่น ย, ย, ย, ยุ่งเนะอะ เขาพูดข่าวเป็นสื่มอมวลจะอจิตใจของพูดให้ยินได้ฟังก็จริงแต่เราพูดที่จะคอยรับคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเร า, เาที่เราจะตายการแนะนำต่างนการสม้อเราก็เมื่อก่าเราเต็มภูมิของเราคือเต็มกําลังของเราอยู่แล้วก็จะให้มันเบลล์กาลังเราอีกแล้วก็แย่นี่นะที่เราคิดเราคิดอย่างนี้ต่างหากขอเราไม่หลัง อ, อะไรครับ ไปนี่สงเคราะห์ลูกได้มาก น, อน้อยถึงไรเราก็สงเคราะห์ไปตางกําลังของเราเท่านั้นเต็มที่พอกับกําลังแล้วยาขายของเราแล้วมึงผมมากเขาลุ้มข้อลุมข้อเราก็ตายสู้ไ ม, ม่ไหวที่แท้นในพลเอกอาทิตย์กําลังเอกฟังวันนั้นก็นได้ประโยชน์พอสมควรเนี่ยมันนั้นเด็ก ด, ด้วยนะเทศวันนั้น มันก็มีความหมายอันหนึ่งอยู่ในลึกๆนั่นแหละไม่ใช่มาเทศแบบนั้นทีเดียวมันมีความหมายทุกอย่างนะจะพูดหนักเบามากน้อยอย่างไรมันมีอยู่ในหัวใจบอกใครได้เมื่อไหร่อี่คนอินทริย์มานั่นก็เอาเผ็ดร้อนเหมือนกันเพราะท่านเหล่านี้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ในวงราชการเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทหารกว้างขวางมาก แล้คำพูดของผู้เป็นหัวหน้าเป็นคำพูดที่สำคัญการปกครองการพูดอะไรก็ตามเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นอยู่กับหัวหน้าเราเห็นความสำคัญของตร ง, ง, งนี้เพียงได้สอดธรรมะเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว อ, อย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องการปกครองอะไรเราก็ไม่ว่าเราพูดทีนึงมันไม่ดีนั่นแหละครอบครัวประชาชนวางไว้ารวาะ ในบ้านนอกมันก็มีครอบครัวอตำรวจก็มีครอบครัวข้าราชการก็มีครอบครัวทหารไม่มีครอบครัวได้อย่งไรก็มีครอบครัวเพราะว่าเมียลูกเต้าหลานเหรียญม้อนกันหมดที่สิ่งที่ผิดที่จะทําให้พระเ้ากระเือเนแก่ครอบครัวมันมีได้ด้วยการนั่นน่ะนํามันนั้นออกมาเทศตอนั้นก็ไปเป็นเรื่องหินห้างก็ไปถึงสินห้าครับตัวการมเมร ก, กับตัวหนึ่งสําคัญอ๋อนั่นก็ไปตัวสุรา สุรานคนดีทั้งหลายนักงปาดทั้งหลายซึ่งด้วยแล้วแต่เป็นคนดีท่านสนิทติดเตียนว่าเป็นของไม่ดีไม่ควรสนิทติดจมเสกสรรปัญญาว่าเป็นของดีแต่ให้ได้พวกเราจึงเสกสรรปัญญาว่าเป็นของดีของเดียวนั่งหนาวสมาคมใดสถ า, านที่ใดถ้ามีสุสราเข้าไปเป็นน้ําบ้าแฝงตรงนั้นสังคมนั้นมันไม่เป็นมนุษย์สันตุบุญอย่างนั้นหรือต้องให้เป็นสังคมบ้าไปด้วยกันกหมดเหรือเนะมันก็หนักบ้างที่อย่างนั้นลโลกมันเดือดร้อนเพระอะไร เพราะความปีนเกลียวกับทำโจกเสริมกิเลสที่ไม่ดิบไม่ดีสิ่งกำหนชา้าเร็วตามว่าเป็นของดีของดีขึ้นมาเหมือนกับเสกสรรบั้นยอมูลสวดมูลแห้งว่าเป็นของดีของดีถ้าไม่ใช่สุนัขมันจะกินได้ลงคอไงมนุษย์มันกินไม่ได้นั่นคนดีมันกินไม่ได้นี่ยโลกนี้ถ้ามีแต่คนทั่วร้วนๆมันอยู่ได้อย่างไรลราคิดดูสิมันเป็นไฟไปหมดแล้วนี่อยู่ได้ด้วยคนดีนะแต่มันไม่คิดเห็นความดีนสิ มากที่กว่าคิดเห็นความชั่วไปซะแบบเที่ยงตอนนั้น ห, นหนักบ้างวนะันนั้นทีนี้เขาเอกไปกรมทหารนั้นก็อนปัญญาของผู้การทหารหนั้น ม, มาพูดด้วงพอพนดอย่างที่ไปนั่นก็เลยพูดธรรมอ้าว่าอาจารย์ให้ฟังกั น, กนใครไม่ถ้าใครอยากฟังธรรมอของจริงนใะห้ไปว่าตามการเนี่ยไปฟังท่านอาจารย์หาบวตรเทศนะจะได้ฟังของจริง แล้วไปที่เนินเหมือนกันไปที่โรงพยาบาลก็พูดให้พวกตลาดที่ไปรวมกันเต็มนั้นทังอีกนี่ยงั้นแหละผู้ใหญ่ไปไหนกว้างขวางให้เราเขาได้รับประโยชน์ที่เพราะทํานี่ธรรมะที่เราแสดงเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมะเพื่อความสียหายแก่โลกอืเป็นธรรมะพยุงโลกรพราผู้ได้เจ้าไม่เคยทําความเสียหายใหแก่โลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาธรรมะทุบท บ, ทบทุบบาทสอนเพื่อพยุงโลกทั้งนั้น เหตุได้เรานําธรรมะพระเจ้าไปสอนโลกมันจะผิดไปสิ่งที่เขาทําให้เป็นปืนเปไฟเผากันอยู่ทั้งแผ่นดินทำทํําทาไมยังไม่ถือว่าเป็นของผิดถ้าจะปล่อยให้เป็นแต่อย่างนั้นอย่างเดียโลกมันก็ะชิบหายแล้วการแนะนําต่างสอนให้รู้ดีชั่วต่างๆให้ลัให้ถอนให้พิจารณาแก้ไขทําไมจะผิดไปนั่นนั่นที่มันพูดได้เพราะเห็นนั่นเองถ้าลงธรรมะพูดใส่หัวใจคน าตามความจริงโลกไม่ยอมรับแล้วก็แสดงว่าโลกนั่นจะหมดแล้วศาสนาจะไม่มีเหลือในหัวใจของโลกแล้วจำมีแต่ฟืนแต่ไฟในขณะเดียวกันแั่นแหกหัวใจหนักเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีศาสนาติดใจอยู่ติดตัวอยู่บ้างก็เทศให้ฟังให้รู้บางทีบางคนไม่รู้คนไม่เข้าใจก็มีพกะเทศเพื่อเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจเขาไม่ทำกรรมก็เป็นกรรมของเขาแต่ว่าง่ายแล้วม่มีส่วนเสียน่เพราะเราไม่ได้เทศเสียนี่เราเทศให้เป็นให้เป็นคนดีต่างหากจะเสียไปที่ตรงไหนเรา 好了เลือกัแล้ว